ถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมจากพจนานุกรมของท่านอาจารย์กรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาหรือความตั้งใจถ้าการกระทำนั้นไม่ประกอบด้วยเจตนาหรือตั้งใจเช่นขับรถไปหมาวิ่งตัดหน้ารถรถชนหมาหมาสิ้นชีวิตหรือว่าขับรถไปมืดมากมีคนข้ามถนนหรือขี่จักรยานมาแล้วไม่เปิดไฟไท้ายรถเราชนกาตาย ถ้าจิตของเราขนาะนั้นนิ่งมากคือไม่มีจิตเศร้าหมองการกระทานั้นถือว่าไม่เป็นกรรมเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีคนรับกรรมกรุณาอธิบายกรรมก็มีความละเอียดเหมือนกันเราต้องยอมรับก่อนว่าจิตของเรามีความละเอียดมากความละเอียดอ่อนนี้บางครั้งแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้สึก เราพูดแบบกว้างๆก่อนว่าในกรณีนั้นถือว่าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นกรรมที่ชัดเจนออกมาเหมือนกับเราเดินไปเดินมาทาธุระก็มีการเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายไปบ้างโดยไม่ได้เจตนาแต่ยังมีกรรมอีกชนิดหนึ่งท่านเรียกว่ากตัตตากรรมแปลว่ากรรมศักวาธรรมคือความจริงมันก็มีเจตนาอยู่แต่เจตนามันอ่อน ไม่ใช่เจตนาโดยตรงอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของจิตที่ยังมีความประมาทอยู่ความประมาทนี้ท่านถือว่าเป็นเจตนาเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเราขุดบ่อน้ำบ่อหนึ่งไว้หลังบ้านของเราซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราเป็นบ้านของเราแต่บ่อน้ำนั้นเปิดโล่งอาจจะมีคนมาตกตายได้เรามีความรู้อยู่เข้าใจอยู่และเรานึกอยู่ด้วยว่า เอ๋นี่คนอาจจะมาตกตายได้เราควรจะได้เอาอะไรมาป้องกันทำรั้วกัน้นหรืออย่างน้อยทำสัญญาณอะไรไว้แต่เราก็เลื่อยเปื่อยไม่ได้ทำแล้วเกิดมีคนมาตกตายจริงๆอย่างนี้ถือว่าพ้นกรรมไหมอย่างนี้ถือว่าไม่ผิดศีลเพราะไม่มีเจตนาจะฆ่าเขาแล้วก็ไม่เป็นกรรมชนิดเด่นชัดแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมโดยสิ้นเชิง แม้เจตนาที่จะฆ่านั้นไม่มีแต่มันมีเจตนาที่เรียกว่าความประมาทผสมอยู่ที่ว่ารู้อยู่ว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ปล่อยไว้ละเลยไว้คล้ายกับเจตนาปล่อยให้ตายหรือเจตนาเอื้อโอกาสให้มีการตายตัวความประมาทนี้จึงทําให้ยังไม่พ้นกรรมแต่ในกรณีที่เราได้พยายามทําของเราอย่างดีเต็มที่แล้ว เท่าที่วิสัยแห่งสติปัญญาของเราจะทําได้เราก็พูดได้ว่าไม่เป็นกรรมหรือกรรมนั้นแทบจะไม่มีหรือมีน้อยเหลือเกินฉะนั้นให้เบาใจได้คือไม่ต้องไปห่วงกังวลถ้าไปห่วงกังวลก็จะเป็นกรรมอีกเพราะคิดวุ่นด้วยความห่วงกังวลหวาดกลัวทําให้จิตใจเศร้าหมองเราก็สร้างกรรมด้วยการคิดกรุงแต่งจิตอีก ที่พูดว่ากรรมนั้นแทบจะไม่มีหรือมีน้อยเหลือเกินทั้งที่เราพยายามทำของเราให้ดีแล้วนั้นก็เพราะจิตนี้มีความละเอียดมากอย่างที่พูดมาแล้วความประมาทก็คือความขาดสติยิ่งจิตละเอียดมากมีสติไวพร้อมอยู่ก็ยิ่งตัดความพลาดพลั้งจากความประมาทไปได้มากยิ่งขึ้นจนเมื่อมีสติพร้อมไวกรองใจอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติ จึงจะพ้นจากความประมาทได้จริงดังนั้นเมื่อพูดกันในระดับสมบูรณ์คนทั่วไปซึ่งจิตยังมีความวุ่นอยู่มากบ้างน้อยบ้างสติยังร่องต่างๆกันจึงยังมีช่องให้เกิดความพลาดพลัง้งจากความประมาทหรือขาดสติไม่ยังหยาบก็อย่างละเอียดและจึงพูดไว้ข้างต้นว่ากรรมแทบไม่มีหรือมีน้อยเหลือเกินอาจจะยังไม่พ้นเป็นกรรมโดยสิ้นเชิง เอาเป็นว่าในกรณีอย่างนี้เราต้องรู้ธนากในหลักความจริงไว้ว่าเอาล่ะสำหรับตัวเราเองเรามีความมั่นใจชัดเจนว่าเราตั้งใจดีไม่ได้ตั้งใจร้ายไม่ได้คิดร้ายแต่ในเมื่อเรายังมีสติไม่สมบูรณ์ทีเดียวถ้าเราจะมีความประมาทหลงเหลืออยู่บ้างในกรณีนั้นก็เอามาใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาตนต่อไป สำหรับเรื่องในระดับลึกละเอียดอย่างนี้เราก็ต้องไม่มองข้ามเหมือนกันถ้าเราไปตัดปล่อยวางใจซสีอว่าเราพ้นแล้วก็จะไม่เอาใจใส่แล้วเราก็จะไม่พัฒนาตัวเองต่อไปแต่ถ้าเราเผื่อใจไว้สำรวจมองดูว่าเราอาจจะยังมีความประมาทอยู่บ้างในกรณีนั้ น, น, นเราอาจจะยังมีข้อบุกร่องตามภาษาปุถุชนแล้วเราตั้งใจสารวมระวังต่อไป ก็เกิดเจตนาที่เป็นกุศลพอเราตั้งใจเป็นกุศลว่าจะพยายามระมัดระวังไม่ประมาทฝึกฝนตนต่อไปก็เกิดกุศลกรรมเป็นกรรมดีขึ้นมาเป็นทางของการพัฒนาต่อไปรวมความในเรื่องนี้ว่าจุดสําคัญจะต้องวางใจให้ถูกต้องเมื่อมองกว้างออกไปโลกมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ เป็นโลกแห่งกรรมดีและกรรมร้ายคลุกคล้ากันไปถ้าเราตั้งใจทําความดีไม่มีเจตนาทํากรรมชั่วไม่คิดเปียดเบียนทําร้ายใครในระดับทั่วๆไปก็ควรพอใจไปขั้นหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราพอใจเสร็จไปซิียเลยเอาแค่นั้นก็จะทำให้ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองต่อไปกลายเป็นความประมาทอย่างหนึ่งดังนั้น ในการที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วการปฏิบัติที่ถูกต้องคืออย่าไปมัวครุ่นคิดอ่วงกังวลขุ่นมัวเศร้ามองอยู่ไม่รู้จักจบ ก, ก, ก็จะกลายเป็นอกุศ ล, ลกรรมมากขึ้นด้วยแล้วก็เลยไม่ได้ทำกุศลด้วยทางที่ถูกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต้องหันกลับมาตั้งใจทากุศลให้เพิ่มจนมากกว่าอากุศลอย่างน้อยก็เอาเหตุการณ์มาเป็นเครื่องเตือนตนให้ตั้งใจระมัดระวังฝึกฝนตน และทำความดีอื่นๆต่อไปให้กลายเป็นความคิดในทางกุศลเป็นกรรมดีซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปถ้าทำได้อย่างนี้กรรมดีหรือกุศลที่เกิดขึ้นยังจะมากกว่าอากุศลละกรรมที่มีเพียงเส้นฝอยแล้วเราก็จะพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปด้วย